แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ากุศลจิตเกิดเมื่อเราถือโดยความจริงของอารมณ์นั้นเนี่ยนะถือความจริงโดยอสุภะเป็นต้นหรือว่าพิจารณาโดยภูต ร, รูปอุปาทายรูปพร้อมทั้งสมุทฐานแล้วก็ไข้ครวญโดยตีรณะปริญญาต่อไปเนี่ยนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซ้อนเป็นความลําบากเนี่ยนะเป็นของชั่วคราวว่างั้นถ้าไข้ครวญลักษณะนี้มากๆ ก็เป็นไปเพื่อละวิปปาธารมนะนะเป็นไปเพื่อละวิปปาธารมอันนี้ก็เป็นเป็นความจริงถ้าใสา่ใจโดยความจริงในลักษณะเหล่านี้บ่อยๆกุศลธรรมก็จะเกิดมากๆขึ้นต่อไปเพราะอย่าลืมว่าศีลทั้งหมดเลยนะผู้ที่จะรักษาได้เนี่ยเห็นโทษของการผิดศีลเห็นโทษของการไม่มีสังวรว่าเมื่อเห็นเป็นต้นแล้วถ้าไม่สังวรเนี่ยเกิดโทษอะไร ถ้าสังวรแล้วนํามาซึ่งคุณอะไรต่อไปเนี่ยนะคนที่จำสองคานี่แม่นเขาก็สามารถที่จะรักษาได้เนี่ยนะสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดเนี่ยนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นโอ๊ยอันนี้ก็โลภอันนี้ก็โทสะอีกแล้วหงุดหงิดแล้วคนี้โทสะเกิดหมายว่าเพราะนี่ไปฟังมาแท้เลยทําให้ไม่สบายใจเลยอะไรก็ไม่สนุกโลกก็ไม่สดใสขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าไม่แยบคายละเพราะว่าคนที่ฟังแล้วก็จะต้อง ต้องต้องอะไรนะเห็นแจ้งอ า, า, าถานสมาทานแล้วก็ร่าเริงฟังแล้วก็เข้าใจเหตุผลอย่างปรุงโปร่งเนรียกว่าเห็นแจ้งสมาทานก็คือต้องถือเอาไปปฏิบัติอย่างแน่นอนเรียกสมาทานถือเอาไปปฏิบัติอาถานเนี่ยทำแบบคนกล้านีไม่ใช่ว่าทําแบบจำยอมไม่ใช่ทําแบบกล้าทําเลยนะว่าเออนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติจริงๆริงเรียกว่าอาถานแล้วก็ร่าเริง คำว่าร่าเริงนั้นก็คือหมายความว่าไม่ได้ทำด้วยความเสื่องซึมท้อแท้ง้อยเงาไม่ใช่ทำด้วยความเบิกบานใจอันถ้าทาคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาแล้วต้องเป็นในลักษณะนั้นไม่ว่าจะเป็นสูตรใดสูตรหนึ่งก็ตามธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งก็ตามต้องอยู่ในลักษณะองค์ประกอบเหล่านั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามคาสอนอย่างแท้จริงะนะ ปัญกกาปฏิปทาหรือเหตุสิ้นอาสวะข้อที่หนึ่งก็คืออินทรียสังวรใช่ไหมแต่ว่าคนที่จะมีอินทรียสังวร น, น่าจะต้องรู้จักประมาณในโภชนะพระองค์ก็เลยแสดงโภชเนะมตันยุตาต่อไปว่าก็ภิกษุเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงกลืนกินอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อประเทืองผิว เพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความยังชีวิตเป็นไปยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อหายความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจารย์ด้วยคิดว่าด้วยการกินอาหารนี้เราจะระ ง, งับเวทนาเก่าเสียได้เราจะไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยความสมประกอบความไม่มีโทษและความอยู่ภาสุขจกมีแก่เราอย่างนี้แหละพิสูจทั้งหลายเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ ซึ่งเราจะได้เรียนต่อไปข้างหน้าว่าด้วยปัจจยาสานิสิตาสินก็พิสูุเป็นผู้มันประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่นอนอย่างไรคือเรียกว่าชาคริยานุโยคคือพิสูจนในพระธรรมวินัยนี้กลางวันชำระจิตจากอาวรณนิยธรรมคือนิวรณ์ทั้งห้าด้วยการจงกรมนะเดินกลับไปกลับมานะเดินเมื่อยก็ น, นั่งเนี่ยนะ กลางวันก็ใช้ชีวิตไปแบบนี้เวลากลางคืนในยามต้นก็ชำระจิตจากนิวรณ์ด้วยการจงกรมด้วยการนั่งยามกลางก็สำเร็จศีหาสายาโดยเบื้องขวาซ้อนเท้าให้เลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะทำอุทนาสัญญาเอาไว้ในใจทำสติสัมปชัญญะในการที่จะลุกขึ้นน่ก่อนนอนเนี่ยตั้งนาฬิกาความคิดไว้เลยว่าจะต้องลุกเวลาเท่านั้น ถ้ามันตั้งไม่ได้ก็เอานาฬิกาปลุกมาตั้งเอาก็นแล้วกันนะแล้วก็เอาไว้ในใจทีนี้ยามปลายก็ลุกขึ้นชำระจิตให้ปราศจากนิวรณ์ด้วยการจงกรมด้วยการนั่งอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มั่นประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่นอนนะข้อปฏบิบัติบอกแล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมอินทรีสังวร น, นะเมื่ออินทรีสังวรแล้วก็รู้จักประมาณในโพชนะแล้วก็ตื่นตัวในการประพฤติปฏิบัต อันนี้เรียกว่าข้อปฏิบัติที่ไม่พลาดปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะที่สูญผู้ประกอบด้วยธรรมะสาประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติอเปปั น, นกะปฏิปทาและเหตุแห่งความสิ้นอาสวะทั้งหลายชื่อว่าเป็นอันพิสูนนั้นได้เริ่มแล้วด้วยเนี่ยนะจบอัปันนกะ แต่มีข้อความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคาว่าสโตสัมปชัโนเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเวลานอนเนี่ยนะที่เอาเท้าเลื่อมเท้าแล้วก็มีสติสัมปชัญญะเวลาก่อนนอนดูนสติสัมปชัญญะของท่านกับของเราเหมือนกันหรือเปล่าบทว่าสโตสัมปชาโนความว่าประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะถามว่าภิกษุนั้นเมื่อจะหลับ จะชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะได้อย่างไรเอาหลับแล้วมันจะมีสติสัมปชัญญะได้ยังไงนะตอบว่าด้วยสามาแห่งความเป็นไปของกรรมฐานก่อนหลับเพราะว่าพิสูจนนี้เมื่อจงกรมในที่จงกรมรู้ตัวว่าง่วงนอนจึงพักกรรมฐานที่กําลังบําเพ็ญอยู่แล้วนั่งบนเตียงหรือบนแผ่นกระดานหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาก็ตื่นมาบําเพ็ญกรรมฐานในที่ที่พักไว้นั่นแหละอีกมาต่ออีกว่าือนันน่ยเหมือนกับทางานในคอมพิวเตอร์คร้างแล้วก็มาเปิดทํางานต่อไปอีกเพราะฉะนั้นถึงเธอจะหลับก็ยังเชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่นั่นนะถ้าทำกิจในะลักษณะนี้นะีถึงขณะหลับนั้นนนั้นก็สงเคราะห์ว่ามีสติสัมปชัญญะด้วยนี้เป็นนิยะแห่งมูลกรรมฐานก่อนนี่นนะผู้ที่เจริญกรรมฐานแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ต่อเนื่องไปเลยก็จะประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้ส่วนพิสูุน์นี้ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะแม้ด้วยกรรมฐานตามที่กำหนดถามว่าถือเอาข้อนี้อย่างไรอธิบายว่าพิสูุน์นี้เมื่อจงกรมรู้ตัวว่า ง, ง่วงนอนก็นอนตะแคงขวาบนแผ่นหินหรือบนเตียงพิจารณาว่าอ่าถ้าขึ้นบนเตียงขณะที่จะหลับเนี่ยนะพิจารณาอย่างนี้นะมาดูว่าเราจะพิจารณาได้หรือเปล่า ก็บอกว่ากายไม่มีใจนอนอยู่บนเตียงที่ไม่มีใจกายเนี่ยเป็นใจไหยกายนี่รู้อารมณ์หมไม่รู้เออกายที่ไม่รู้อารมณ์ก็อยู่บนเตียงที่ไม่รู้อารมณ์เหมนกนเนี่ยเรียกว่ากายที่ไม่มีใจอยู่บนเตียงที่ไม่มีใจนี่เรานั่งคิดว่ากายที่ไม่มีใจนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ไม่มีใจเก้าอี้ที่ไม่มีใจก็อยู่บนพื้นที่ไม่มีใจคิดอย่างนี้นะตอนนี้สติสัมปชัญญะเหมือนกันนะ ในก็บอกว่ากายที่ไม่มีใจนอนอยู่บนเตียงที่ไม่มีใจเตียงที่ไม่มีใจก็วางอยู่บนปัทภีที่ไม่มีใจปัทภีที่ไม่มีใจก็อยู่เหนือน้ำที่ไม่มีใจน้ำที่ไม่มีใจก็อยู่เหนือลมที่ไม่มีใจลมที่ไม่มีใจก็อยู่บนอากาศที่ไม่มีใจบรรดาสิ่งเหล่านั้นแม้ออากาศก็ไม่รู้ว่าเราอุ้มลมไว้ถึงลมก็ไม่รู้ว่าเราสถิตอยู่บนอากาศ ถึงลมก็เช่นนั้นไม่รู้ว่าเรานี่อุ้มน้ำไว้เยนะน้ำก็ไม่รู้ว่ารองแผ่นดินเอาไว้แผ่นดินก็ไม่รู้ว่ารองเตียงเอาไว้เตียงก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยยกกายเอาไว้กายก็ไม่รู้ว่าเรานอนอยู่บนเตียงเป็นอันว่าสิ่งเหล่านั้นต่างฝ่ายต่างไม่มีการคำนึงถึงกันและกันไม่มีการสนใจกันและกันไม่มีการใส่ใจกันและกันไม่มีเจตนาหรือไม่มีความปรารถนาต่อกันเลยต่างฝ่ายต่างไม่มีใครรู้นะ เมื่อพิสูจนนั้นพิจารณาอยู่อย่างนี้ปัจเจเวคขณะจิตนั้นย่อมอย่างลงสู่ผวังคิดอย่างนี้จนหลับแม้เมื่อเธอหลับอยู่อย่างนี้ก็ย่อมชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่นะอันนี้ก็นับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่พลาดด้วยนะข้อปฏิบัติไม่ผิดเนี่ยนะแต่มีพระหลายองค์เนี่ยนะที่ไม่อยู่ในอิริยาบทนอยเลยตลอด44ปีคือพระสารีบุตรเนไม่อยู่ในอิริยาบทนอน44ี่ปี มีพระเถระหลายรูปนะพระสมัยพุทธกาลอย่างพระมหากระสปะเนี่ยนะท่านไม่เคยนอนเลยไม่เคยอยู่ในอิริยาบดนอนเลยจะอยู่อิริยาบดนั่งเป็นต้นนี่นะวันท่านเอาการงานทางใจนะแต่บอกโอ้โหแล้วถ้าหากว่านอนแค่นี้จะอยู่ได้ยังไงที่จริงแล้วชีวิตของท่านขณะที่ท่านตื่นท่านมีความสุขที่สุดนะเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นถ้าปฏิบัติได้ในลักษณะนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้อุปจาระสมาธิเป็นต้นเยจะมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ซึ่งท่านพักผ่อนในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่านอนบ้างก็คือเพื่อให้ร่างกายนั้นได้ไ ด, ได้พักผ่อนบ้างเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าโดยทางใจแล้วท่านเหล่านี้เนี่ยมีความสุขที่สุดเพราะใจเป็นกุศลตลอดเนี่ยนะไม่มีเวลาไหนที่ใจท่านเป็นอกุศลง่ายๆถ้าเป็นอกุศลเนี่ยจะรีบกําจัดอย่างทันทีเลยเนี่ยนะกระดมคําสอนมาใส่เลยว่าจะทํายังไงที่จะกําจัดอกุศลเหล่านั้นให้ออกไปเร็วที่สุดเนี่ยนะ มันก็เหมือนเขาบอกว่าผู้ที่เร่งรีบกําจัดอกุศลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเพียรพยายามที่เรียกว่าวิริยะสังวรเหล่านี้มันก็เหมือนกับกว่าคนเห็นไฟไหม้เนี่ยถามว่ารอช้าไหมที่จะดับไฟไหม้บ้านเนี่ยเขาจะรีบฉันได้ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในบาปอากุศลก็อย่าลักษณะนั้นเนี่ยพรออกุศลเกิดนิดนึงปุ๊บเนี่ยรีบละข่มทันทีเลนเนยนะระดมคําสอนมาละซึ่งเราจะได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยจะเห็นว่าพระ สมัยพุทธการเป็นต้นเนี่ยนะท่านรังเกียดสภาพจิตที่เป็นบาปจริงๆเห็นไหมเพราะว่าจิตที่เป็นบาปนั้นอะ่ะมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษเป็นสัจจะไหมเป็นเป็นสัจจะไหนล่ะนะอกุศลทั้งหมดสงเคราะห์เป็นสมุทัยสัตว์ในยะแรกบอกว่าตัณหาเป็นสมุทัยสัตว์ธรรมะที่เหลือเป็นทุกขสัตว์นะ น, นะไอโลกุตระทำเมาไว้ก่อนนะ ในย่าที่สองบอกว่าโลภะและอกุศลทั้งหมดเป็นสมุทัยสัตว์ที่เหลือเป็นทุกข์สัตว์ในย่าที่สามบอกว่าโลภะด้วยอกุศลด้วยกุศลทั้งหมดเป็นสมุทัยที่เหลือเป็นทุกข์ถามว่ากุศลธรรมเหล่านี้ถามว่าทําไมจึงชื่อว่าเป็นสมุทัยกุศลเนี่ยนะเจตนาที่เกิดร่วมกับกุศลให้ผลใช่ไหมให้ผลเป็นวิบากและกรรมชรูป ให้ผมเป็นพบให้ผมเป็นคติให้ผลเป็นกําเนิดให้ผมเป็นวิญญาณธิติสัตตาวาสเมื่อผลเหล่านี้สิ่งที่ติดตามพบกําเนิดคติวิญญาณธิติสัตตาวาสก็คือชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกโ ท, โทมนัสมันกุศลเหล่านี้เนี่ยโยนไปเพื่อปฏิสนธิทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นกุศลเหล่านี้จึงเป็นเหตุแห่งการเกิดในพบพบต่อๆไปเนี่ยจึงเป็น สมุทัยยศตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะกุศลแธรรมเหล่านี้กิจของเขาควรจเจริญแต่ไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อเอาวิบากแห่งกุศลเหล่านั้นแต่จเจริญกุศลเพื่อให้โลกุตระกุศลจะเกิดขึ้นอย่านะัจเจริญกุศลศีลเพื่อโลกุตระศละีลเป็นต้นนั่นเองที่ในสังยุตตนิกายเรียกว่าเป็นสมุทัย สมุทธยธรรมหมายความว่า <c oughs> นี่เป็นขั้นสูงมากเลยใช่ไหครับอุศนก็เป็นสมุทรทยมีชื่อว่าสมุทรยธรรมรูปเป็นสมุทรยธรรมเวทนาเป็นสมุทธยธรรมรวมเบ็ดเสร็จแล้วขันท่านั่นแหละเป็นสมุทธยธรรมเพราะว่าเหตุเกิดของรูปประขันเนี่ยนะเหตุเกิดของรูปประขันเพราะอะไรเกิดรูปประขันจนเกิด เพราะวิชาเกิดรูปประคันจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปประขันจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปประคันจึงเกิดกรรมนี่คืออะไรบ้างะกุศลก็เป็นกรรมนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้กุศลเหล่านั้นจึงเป็นสมุทัยหรือเรียกว่าเหตุเกิดแห่งรูปประคันด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้รูปประคันไอกุศลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะจึงไม่ได้เจริญเพื่อเพื่อเอาวิบากแห่งกุศลเหล่านั้น ถ้าหากว่าเราเจริญเพื่อเอาวิบากแห่งกุศลเหล่านั้นก็ชื่อว่าเจริญเพื่อเอาวัตถทุกนะแต่ว่าเจริญกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายที่ศึกษากันเนี่ยเป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมเป็นไปเพื่อโลกุตระกุศลนั่นเองอ่าในหน้าเจสิบอ็กล่าวว่าวินิจัยในบทเป็นต้นว่ายัตวาธิกรณะเมนังความว่าธรรมะทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นเหล่านี้ พึงไหลไปตามคือพึงติดตามนะพึงติดพันซึ่งบุคคล น, นี้ผู้ไม่สำรวมจากขุนศีคือเป็นผู้มีจักขุทวาลอันยังไม่ปิดกั้นด้วยบานประตูคือสติก น, นะก็คือพอตัวไม่ปล่อยไม่ให้สติเนี่ยนะเป็นประตูปิดกั้นในขณะเห็นโลภะเป็นต้นก็ติดตามไป ที่โลภะเป็นต้นติดตามเมื่อเห็นไปแล้วเนี่ยนะเพราะเหตุแห่งความไม่สํารวมจากขุนสีนั่นเองไม่มีสตินั่นแหละเป็นเหตุให้โลภะโทสะโมหติดตามเนี่ยนะในขณะเห็นข้อว่าย่อมปฏิบัติเพื่อความสํารวมจากขุนสีนั้นมีความหมายว่าย่อมปฏิบัติเพื่อปิดกั้นจากขุนสีนั้นด้วยบานประตูคือสติ เมื่อกี้กล่าวว่าผู้ที่จะตจะเจริญอย่างที่ว่าเนี่ยนะต้องตั้งสติไว้ก่อนนะตั้งสติไว้ก่อนที่จะเห็นแล้วตั้งสติไว้ก่อนที่จะได้ยินแล้วตั้งสติไว้ก่อนที่จะรู้กลิ่นรับรู้รสขูกต้องกระทบโพธะพระแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์ทางใจถ้าหากว่าผู้ที่เจริญกรรมฐานนะถ้าถ้าพูดในลักษณะของสมณะเพศเนี่ยนะกหนดที่จะเห็นได้นะพิกษจนี้กำหนดที่จะเห็นได้กาหนดที่จะฟังได้ กำหนดที่จะรู้กลิ่นได้กำหนดที่จะลิ้มรสได้กำหนดที่จะกระทบโผฏฐะได้แล้วก็กำหนดเรื่องที่ตัวเองคิดได้ถ้าเป็นพระพิสูจน์ที่ท่านเจริญตามตามแนวนี้นะท่านจะกำหนดอารมณ์ในการรับรู้ได้เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายมันเนื่องด้วยมานสิการใช่ไหมมอเนื่องด้วยมานสิการท่านไม่อยากมานสิการอะไรท่านก็ไม่มนสิการสิ่งนั้นนะแต่ว่า ในลักษณะที่เราเป็นค า, ารวาสเนี่ยนะก็คือศึกษาเพื่อให้รู้แนวทางส่วนจะปฏิบัติได้ไม่ปฏิบัติได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าศึกษาตามนี้ดีจริงๆเนี่ยนะผู้ที่มีศรัทธาในคําสอนเหล่านี้ว่าคําสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์จริงหนอและก็สังสารวัฏเนี่ยมีภัยจริงหนอะประทําคําสอนเนี่ยช่วยให้สัตว์เนี่ยพ้นจากวัฏทุกจริงหนา ถ้าหากว่าอยู่ในเพศคารวะที่จะประพฤติแบบนี้ให้บริบูรณ์ทำได้ยากท่านเหล่านั้นจึงออกบวชแต่ของพวกเรานี่ฟังอย่างนี้เพื่ออะไรฟังเพื่อให้ปีติปราโมทเกิดวันนี้เป็นความเป็นธรรมดีของพระธรรมเนะฟังเอาปีติและโสมนัสนางวิสาขาทาบุญเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อปีติและปราโมทเท่านั้นเองเพื่อปีติและปราโมทเวลาฟังทำเวลาให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะ เพื่อให้จิตเป็นกุศลไปเรื่อยๆนะถ้าหากว่าผู้ที่เจริญกุศลใหม่ๆเนี่ยนะอยากเอาผลของมันแต่คนที่เจริญกุศลนานๆเข้าเนี่ยเขาเห็นโทษของจิตที่เป็นไปกับเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลเนี่ยนะทำยังไงล่ะจิตจึงจะเป็นไปกับกุศลได้มากที่สุดก็คือการฟังธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาฟังแล้วเขาจะประพฤติปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็ยถาสติยถากำลังอยถาพลังเนี่ยนะ เรียว่าตามสติตามกําลังใช่ไหมกำลังคือศรัทธา ม, มากเท่าไหร่ก็ทําได้เท่านั้นแหละกําลังคือสติวิริยะสมาธิปัญญาเท่าไหร่ก็จะปฏิบัติตามนั้นก็บุคคลผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเที่ยวเรียกว่าย่อมรักษาจาักขุนศีนะปฏิบัติอย่างที่ว่านี่แหละเรียกว่าสํารวมตาย่อมถึงความสํารวมในจักขุนศีดังนี้ก็ได้ในคําว่าถึงความสํารวมในจักขุนศีนั้นความว่าสังวร ความสัมรณ์ก็ดีอสังวรความไม่สัมรวมก็ดีหามีอยู่ในจักขุณสไม่คือสังวรไม่สังวรเนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่จักขคู่ภาษาธาตนะจักรคู่ภาษาธาตไม่ใช่เป็นตัวสังวรหรืออสังวรสังวรมีเท่าไหร่ก่อนเอาก่อนนะสังวรนี้มี5้าใช่ไหมถ้าใช้คําว่าสังวรที่ไหนให้รู้ว่าสังวรห้านะหนึ่งสีลสังวรสอ สติสังวรหรืออินทรสังวรสายานะสังวรสีขันติสังวรห้วิริยะสังวรถ้าใช้กล่าวถึงว่าสังวรนี่คือสังวรห้นี้ถ้าไม่สังวรคือไม่มีธรรมะ5อย่างนี้เนี่ยนะหมายความว่ากุศลศีลไม่เกิดเรียกว่าอสังวรกุศลศีลเกิดเรียกว่าสังวรแต่ในจักขุประสธะไม่มีสังวรนะ จากขู่ภาษาทาไม่ชื่อว่าสังวรและอสังวรเพราะจากขู่ภาษาท่าเป็นอะไรโดยทมสังวรนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลเมื่อเป็นกุศลเนี่ยนะจากขู่ภาษาท่าเป็นรูปั้นเป็นรูปรูปเป็นอัพยากตะคือกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลกล่าวถึงเรื่องของสังวรนี่ในจากขู่ภาษาท่าหรือตาเนี่ยไม่ใช่เป็นตัว สังวรเพราะว่าสังวรนี้เป็นกุศลเนี่ยนะสังวรห้คือศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรเนี่ยนะเกิดที่ชาวนานะเพราะว่าสติก็ดีความหลงลืมสติก็ดีไม่ได้อาศัยจากขู่ภาษาธาเกิดขึ้นสติไม่ได้เกิดที่จากขู่ภาษาธรูปเนี่ยนะแต่ว่าในการใดรูปอารมณ์มาสู่คลองจากสุข ในการนั้นเมื่อผวังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสองขณะภวังคจารนะผวังคู่ประเชทะดับไปกิริยามโนธาตุก็เกิดขึ้นทําอาวชนกิจให้สําเร็จแล้วก็ดับไปกิริยามโนธาตุก็คือเป็นชื่อของปัญจทวาราวชนาจิตนั่นเองทําอาวชนาจิจหรือที่เรียกว่ามนสิการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถัดจากนั้นกิริยามโนธาตุ คือถัดจากไอปัญจทวาราวชนะจิตจากขูวิญญาณเกิดขึ้นทำทัศนาิจให้สำเร็จแล้วก็ดับไปถัดจากนั้นจากขนะูวิญญาณนั้นนะถัดจากจากขูวิญญาณเมื่อจากขูวิญญาณดับไปแล้ววิบากมโนธาตุก็ทำสัมปติชนะิจให้สาเร็จแล้วก็ดับไป ถ้าจากวิบากมโนธาตุคือหลังจากเทศสัมปติชนะจิตดับไปอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุฝ่ายวิบากก็เกิดขึ้นทำสันติรณกิจสําเร็จแล้วก็ดับไปถ้าจากอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุฝ่ายวิบากนั้นอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุฝ่ายกิริยาย่อมเกิดขึ้นทำโวทพน ก, กิจให้สําเร็จแล้วก็ดับไป ชาวนะย่อมเล่นไปในลำดับแห่งอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุฝ่ายกิริยานั้น <c oughs> เอามหม่นะกล่าวถึงว่าเมื่ออารมณ์เนี่ยนะรูปารมณ์ปรากฏขึ้นในคลองแห่งจกักขุปสาธาตเนี่ยนะผวังขจิตก็ดับไปคือพวังขาจารณะสองดวงพวังขาจารณะพวังคู่ประเชทะก็ดับไปหลังจากนั้นเนี่ยนะเรียกว่ามโนมโนธาตุ แต่มโนธาตุประเภทกิริยามโนธาตุชื่อที่เราเรียกกันว่าปัญจทวาราวัชนะแต่ถ้าชื่อเฉพาะตัวของเขานะดวงนั้นเรียกว่าจักขุทวาราวัชนะเนี่ยนะจักขุทวาราวัชนะเขาเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์แล้วก็ดับไปเมื่อเขาดับไปแล้วจักขูวิญญาณก็จะเกิดขึ้นจักขูวิญญาณนี้ทำทัศนกิจคือกิจเห็นเมื่อจักขูวิญญาณดับไป สัมปติชณจิตก็จะเกิดขึ้นที่จริงสัมปติชนจิตชื่อตร ง, ตร ง, ตร ง, ตรงๆเขาเรียกว่าวิบากมโนธาตุเห็นไหมวิบากมโนธาตุทาสัมปติชนกิจเขาเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์นั้นแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้มโนวิญญาณธาตุฝ่ายวิบากที่เราเรียกชื่อกันว่าสันติรณจิตนะสันติรณจิตแต่จริงๆเขาเรียกว่าสันติรณกิจ เกิดขึ้นรับรู้อารมณ์แล้วก็ดับไปหลังจากนั้นมโนทวาราวชนะหรือเรียกว่าอาเหตุกะมโน อ, อเหตุกะกิริยาอาเหตุกะมโนวิญญาณธาตุฝ่ายกิริยาเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ที่เรียกว่าทำโวทัพนกิจรับรู้อารมณ์แล้วก็ดับไปเมื่อโวทัพนกิจ ด, ดับไปแล้วเนี่ยนะ ชาวนะจิตก็จะเกิดขึ้นเจ็ดดวงโดยทั่วไปแล้วชาวนะจิตจะเกิดขึ้นทั้งเจดขณะถ้าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ชัดมากอารมณ์ยังไม่หมดอารมณ์ยังเหลืออีกสองขณะจิตตาธรรมณจิตก็จะเกิดขึ้นอีกสองดวงเพื่อรับรู้อารมณ์นี่ยนะแล้วก็ดับไปอันนี้กล่าวถึงในจกักรคูทวารวิถีแล้วจะต่อมโนทวารวิถีทันที น, นะหลังจากเห็นไปแล้วเนี่ยนะจิตทางมโนทวารวิถีก็จะเกิดขึ้น รับอารมณ์นั่นแหละมีสีนั่นแหละเป็นอารมณ์แล้วก็ดับไปวิถีใหม่ก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะสลับกับการเห็นแล้วก็การนึกคิดทางใจอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะชีวิตของเราก็ดําเนินไปในลักษณะนี้แหละทีนี้เรื่องที่เรากําลังสนทนาอยู่เนี่ยก็คือในสีเสีอะไรพวกกันเอาสีเหลืองเป็นหลักใช่ไหมนั่นแหละเพราะที่เหลือเนี่ยนะสังวรอาสังวรไม่ได้เกิดที่สีอื่นนะเกิดที่สีเหลือง อันนี้ก็บอกว่าวินยูชนในโลกนี้จะพึงรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาเพราะฉะนั้นใครไปเข้าใจว่าจิตเกิดที่สีเหลืองเนี่ยนะโอ้ยสักนาสงสารนั่ละแต่ว่าวินยูชนจะอาศัยภาพอุปมาพวกนี้จะทําให้เข้าใจง่ายก็เลยอุปมาให้เห็นเดี๋ยวบอกโอ้ยใครว่าจิตไปเกิดตรงนั้นอีกก็ยุ่งเลยนะ